จากการนิบาตหนึ่งมณิกุณทลวรคหมวดว่าด้วยต่างหูแก้วมณีหนึ่งมณิกุณทลชาดกว่าด้วยต่างหูแก้วมณีพระราชาโจรเข้าไปหาพระราชาโพธิสัตว์แห่งกรุงพารณสีแล้วตรัสว่าพระองค์หมดสิ้นรถมา้าและต่างหูแก้วมณีอันหนึ่งพระองค์หมดสิน้นพระโอรสและนางสนมเมื่อโภคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหลืออยู่เลย เพราะเหตุใดพระองค์ไม่ทรงเดือดร้อนในคราวที่ควรเศร้าโศกพระราชาโพธิสัตว์ตร์ตอบว่าโภคะทั้งหลายละทิ้งสัตว์โลกไปก่อนก็มีสัตว์โลกละทิ้งโภคะเหล่านั้นไปก่อนก็มีข้าแต่พระองค์ผู้ทรงใคร่อยู่ในกามโภคะทั้งหลายที่สัตว์ใช้สอยอยู่เป็นของไม่แน่นอนเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่เศร้าโศกในคราวที่ควรเศร้าโศก ดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงแล้วก็แหว่งเว้าไปดวงอาทิตย์ทําโลกส่วนใหญ่ให้อบอุ่นแล้วก็รับขอฟ้าไปข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นศัตรูโลกธรรมทั้งหลายข้าพระองค์ทราบดีแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงไม่เศร้าโศกในคราวที่ควรเศร้าโศกพระราชาโพธิสัตว์ทรงแสดงธรรมแก่พระราชา โ, รรรราชาโจรแล้วทรงติเตียนว่ า, าเคระหัตผู้บริโภคการเกียดคร้านไม่ดี บรรปะชิตไม่สำรวมไม่ดีพระราชาไม่ทรงใครครวนก่อนแล้วทำไม่ดีการที่บัณฑิตกโกรธไม่ดีข้าแต่พระองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งทิศกระส์ทรงใคร่ครวนก่อนแล้วจึงควรทำไม่ทรงใครครวนก่อนแล้วไม่ควรตัดสินยศและเกียรติย่อมเจริญแด่พระราชาผู้ทรงใครครวนก่อนแล้วจึงทำมณิกุลธลชาดกที่หนึ่งจบสอง สุชาต่าชาดกว่าด้วยสุชาตากุมารโพธิสัตว์บิดาของสุชาตากุมารโพธิสัตว์กล่าวว่าทําไมหนอลูกดูเหมือนรีบเร่งเกีย่ยวหญ้าสดเขียวขจีแล้วกล่าวบนเพอกับโคแก่ที่ตายไปแล้วว่าเจ้าจงกินเจ้าจงกินโคที่ตายไปแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้เพราะข้าวและน้ําลูกบนเพอรไปเปล่าๆ เ, เหมือนคนไร้ความคิด สุชาตากุมารโพธิสัตว์กล่าวตอบว่าหัวของโคก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมสองเท้าหน้าสองเท้าหลังหางและหูของโคก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมผมสำคัญว่าโคตัวนี้จะพึงลุกขึ้นได้ส่วนศีรษะมือทั้งสองและเท้าทั้งสองของคุณปู่ไม่ปรากฏเลยคุณพ่อนั่นแหละร้องไห้อยู่ที่สถูปดินเป็นคนไร้ความคิดไม่ใช่หรือ บิดาชมเชยบุตรว่าลูกช่วยระ ง, งับพ่อผู้เร่าร้อนให้สงบดับความโกรนกระวายทั้งหมดได้เหมือนคนใช้น้ําราดดับไฟที่ติดเปลียงลูกนั้นได้บรรเทาความเศร้าโศกของพ่อผู้กําลังเศร้าโศกถึงปู่ชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความเศร้าโศกซึ่งเสียบที่หัวใจของพ่อขึ้นได้แล้วหนอพ่อผู้อันลูกได้ช่วยถอนลูกศรคือความเศร้าโศกขึ้นได้แล้ว เป็นผู้ปราศจากความเศร้าโศกไม่มีความขุ่นมัวจะไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้เพราะได้ฟังคําของลูกลูกเอย๋ยนรชนทั้งหลายผู้มีปัญญาจะเป็นผู้อนุเคราะห์ย่อมกระทําให้ผู้อื่นปราศจากความเศร้าโศกเหมือนสุชาตกุมารทําให้บิดาปราศจากความเศร้าโศกสุชาตาชาดกที่สองจบ 3. เวณสาขาชาดก ว่าด้วยต้นไม้ป้องกันภัยไม่ได้พระโพธิสัตว์เป็นอาจารย์ทิสาปาโมกกล่าวสอนพรมทัตกุมารว่าพรมทัตกุมารความกเกษมสำราญภิกษาที่หาได้ง่ายความสุขสำราญกายทั้งหมดนี้ไม่มีตลอดการเป็นนิดเมื่อประโยชน์สิ้นไปท่านจะได้หลงลืมเหมือนคนเรือแตกท่ามกลางสาครเลยคนทากรรมใดไว้ย่อมเห็นกรรมนั้นในตน คนทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีคนทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วคนหว่านพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นพรมมัทกุมารนั้นกำหนดคำของพระโพธิสัตว์ได้แล้วบ่นเพอ้ออยู่ว่าท่านอาจารย์ป ร, ราศริยะได้กล่าวคำใดไว้ว่าท่านอย่าได้ทำความชั่วที่ทำแล้วจะทำตนให้เดือดร้อนในภายหลังคำนี้เป็นคำของอาจารย์ปิงคียะ เราได้สำเร็จโทษกษัตริย์ 1,000 พองค์ผู้ประดับพระวรากายรูปล้ด้วยจุนแก่นจันที่ต้นไม้ใดต้นไม้นั้นมีกิ่งก้านสาขาแผ่ไพศาลคือต้นนี้เองทุกนั้นนั่นแหละก็กลับมาสนองเราต่อมาพระมทักกุมารทรงเคร่อครวนอยู่อย่างนั้นหวนระลึกถึงพระอครเมเหสีจึงกล่าวว่าพระนางสามาผู้มีพระวรากายรูบไล้ด้วยจุนแก่นจัน งามระหงดังกิ่งไผ่ที่กวลไกวไปมาเราไม่เห็นพระมเหสีจากตายการไม่ได้เห็นพระมเหสีของเรานั้นจกเป็นทุกข์ยิ่งกว่าทุกข์คือความตายนี้เวนสาข า, าดกที่สามจบ 4. อุรุข า, าดกว่าด้วยคนตายเหมือนงูล่อคราบพรามโพธิสัตว์บอกเหตุแห่งการไม่ร้องไห้แกท้าวสักกะว่า บุตรของข้าพเจ้าละทิ้งร่างกายของตนไปเหมือนงูลอกคราบเก่าเมื่อร่างกายใช้การไม่ได้จึงละไปตายไปอย่างนี้เขาถูกเผาก็ไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของหมูยากเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปแล้วตามคติของเขานางพรามณีบอกเหตุที่ไม่ร้องไห้แกท้าวสักกะว่าบุตรของข้าพเจ้านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้เชิญมาจากโลกอื่นเขาก็มาข้าพเจ้าไม่ได้อนุญาตก็ไปจากโลกนี้เขามาอย่างใดเขาก็ไปอย่างนั้นจะคร่ำครวญไปทำไมเพราะการไปของเขานั้นเขากำลังถูกเผาก็ไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของหมู่ญาติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปแล้วตามคติของเขาน้องสาวบอกเุที่ไม่ร้องไห้แกเท้าสักกะว่า ถ้าข้าพเจ้าร้องไห้ก็จะพืงอมีร่างกายผ่ายพอมจะมีผลอะไรแก่ข้าพเจ้าเล่าญาติมิตรสหายของข้าพเจ้าจะไม่มีความพอใจอย่างยิ่งพี่ชายของข้าพเจ้ากำลังถูกเผาก็ไม่รู้ถึงความคล่่าครวญของหมู่ญาติเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปแล้วตามกติของเขาพรัญญาบอกเุที่ไม่ร้องไห้แข่เท้าสักกะว่า คนที่ร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วเปรียบเสมือนทารกที่ร้องไห้ต้องการดวงจันทร์ที่โครจรไปในอากาศสามีของข้าพเจ้ากำลังถูกเผาก็ไม่รู้ถึงความคร่ำครวญของพวกญาติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปแล้วตามคติของเขาสาวใช้บอกเหตุที่ไม่ร้องไห้แกเท้าสักกะว่าคนที่ร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วเป็นสิ่งไรประโยชน์ เปรียบเสมือนหม้อ น, น้าที่แตกแล้วจะประสานให้สนิทเหมือนเดิมไม่ได้นายของข้าพเจ้ากำลังถูกเผาก็ไม่รู้ถึงความคร่าครวญของพวกญาติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศกถึงเขาเขาไปแล้วตามคติของเขาอุรุคัชาดกที่สี่จบ 5. คตชาดกว่าด้วยพระเจ้าคตะพระเจ้าทังกะตรัถามพระราชาโพธิสัตว์ว่า ชนเหล่าอื่นเศร้าโศกร้องไห้มีน้ำตานองหน้าส่วนพระองค์มีพระพักผ่องใสพระเจ้าขตะเพราะเหตุไรพระองค์จึงไม่เศร้าโศกพระโพธิสัตว์กราบทูลถึงเหตุที่ไม่เศร้าโศกแก่พระเจ้าทังกะว่าความโศกนำสิ่งที่ล่วงไปแล้วคืนมาไม่ได้นำความสุขที่ยังไม่มาถึงมาให้ไม่ได้พระเจ้าทังกะเพราะเหตุนั้นหม่อมฉันจึงไม่เศร้าโศก เพราะความเป็นสหายในความเศร้าโศกไม่มีผู้เศร้าโศกย่อมมีร่างกายผอมเหลืองและเบื่ออาหารเมื่อเขาถูกลูกศรคือความเศร้าโศกเสียบแทงจนสูบซีดพวกศัตรูก็พากันดีใจเราจะอยู่บ้านหรืออยู่ป่าอยู่ที่ลุ่มหรืออยู่ที่ดอนก็ตามความพินาศจะไม่มาถึงเราเลยเพราะเราได้พบทางแล้วอย่างนี้ ตนเองผู้เดียวเท่านั้นก็ไม่สามารถจะนำรถอันน่าใคร่ทั้งปวงมาถวายแก่พระราชาพระองค์ใดไ ด, ได้แม้แผ่นดินทั้งปวงก็จะนำความสุขมาถวายแด่พระราชาองค์นั้นไม่ได้ขตาชาดกที่หจบ 6. การันทีชาดกว่าด้วยการันิยพราหมณ์อาจารย์เจรจากับการันทีโพธิสัตวาว่าเจ้าคนเดียวรีบเกินไป ยกหินก้อนใหญ่ทิ้งลงไปที่ซอกเขาในป่านี่เจ้าการันตียะจะมีประโยชน์อะไรแก่เจ้าด้วยการเที่ยงป้อนหินลงที่ซอกเขานี้การันตียะโพธิสัตว์ฟังคําของท่านแล้วประสงค์จะปลุกอาจารย์ให้รู้สึกจึงกล่าวว่ากระผมเกลี่ย ก, ก้อนดินและก้อนหินลงไปจะกระทําแผ่นดินใหญ่นี้ซึ่งมีสาครเป็นขอบเขตให้เรียบเสมอดังฝ่ามือเพราะฉะนั้น กระผมจึงทิ้งก้อนหินลงไปที่ซอกเขาพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่ามนุษย์คนเดียวไม่สามารถทำแผ่นดินนี้ให้สม่าเสมอดังฝ่ามือได้นี่เจ้าการันตียะเราสำคัญว่าเจ้าเมื่อปรารถนาจะทำซอกเขานี้ให้เต็มจะต้องละชีวิโลกไปเสียก่อนการันธียะโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าถ้ามนุษย์คนเดียวไม่สามารถจะทาแผ่นดินใหญ่ให้เสมอได้ ท่านพราหมณ์ท่านก็เหมือนกันจักนํามนุษย์เหล่านี้ซึ่งมีความเห็นต่างๆกันมาสู่อํานาจของตนไม่ได้อาจารย์ได้ฟังดังนั้นรู้ตัวว่าพลาดไปแล้วจึงกล่าวว่าเจ้าการันตียาเจ้าได้บอกข้อความที่เป็นจริงแก่เราโดยย่อข้อนี้เป็นเช่นนั้นแผ่นดินนี้มนุษย์ไม่สามารถจะทําให้เสมอได้ฉันใดมนุษย์ทั้งหลายก็ฉันนั้นการันตียชาดกที่หก เจ็ 7. และตุกิกะชาดกว่าด้วยนางนกไส้นางนกไส้ประคองปีกยืนข้างหน้าพญาช้างโพธิสัตว์แล้วกล่าวว่าพญาช้างข้าพเจ้าขอไหว้ท่านผู้มีกําลังเสื่อมถอยเดือารที่มีอายุ60ปีผู้อยู่ในป่าเป็นจ่าโหลงเพียรพร้อมด้วยยศข้าพเจ้าขอไหว้ท่านด้วยปีกทั้งสองข้าง ขอท่านอย่าได้ฆ่าลูกน้อยผู้ด้อยกำลังของข้าพเจ้านางนกไส้นั้นกล่าวต้อนรับพญาช้างนั้นผู้เที่ยวไปตามลาพังเชือกเดียวว่าพญาช้างข้าพเจ้าขอไหว้ท่านผู้เที่ยวไปผู้เดียวอยู่ในปา่าหากินตามเชิงเขาข้าพเจ้าขอไหว้ท่านด้วยปีกทั้งสองข้างขอท่านอย่าได้ฆ่าลูกน้อยผู้ด้อยกำลังของข้าพเจ้าพญาช้างได้ฟังคาของนางนกไส้นั้นจึงกล่าวว่า นี่นางนกไส้เราจะฆ่าลูกน้อยของเจ้าเจ้ามีกำลังน้อยจะทำอะไรได้เราจะใช้เท้าซ้ายบดขยี้นกไส้เช่นเจ้าแม้ตั้งแสนตัวให้แหลกลานนางนกไส้แอบอยู่ที่กิ่งไม้กล่าวคุกคามพญาช้างนั้นว่ากำลังไม่ใช่ว่าจะทำกิจให้สำเร็จทุกอย่างเพราะว่าคนโง่เขามีกำลังไว้เพื่อฆ่าผู้อื่นและตนเองพญาช้าง พระเจ้าจะทำความหายนะให้แก่ท่านที่ฆ่าลูกน้อยผู้ด้อยกำลังของเราพระศ า, าสดาทรงประมวลชาดกตรัสพระคฐถ า, า น, นี้ว่าท่านจงดูกานางนกไส้กบและแมลงวันหัวเขียวสัตว์เหล่านี้ได้ฆ่าช้างแล้วจงดูการจองเวรของคนคู่เวรทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเธออย่าก่อเวรกับใครๆแม้กับคนไม่เป็นที่รักเลย และตุกิกะชาดกที่เจ็ดจบ 8. จูลธรรมปาลชาดกว่าด้วยจูรธรรมปาลกุมารพระนางจันทาเทวีกราบทูลพระราชาว่าหม่อมฉันเท่านั้นที่ตัดความเจริญกระทำความผิดต่อพระเจ้ามหาปตตาปะฝ่าพระบาทขอพระองค์โปรดทรงปล่อยธรรมปาลกุมารและโปรดทรงตัดมือทั้งสองของหม่อมฉันเถิด หม่อมฉันเท่านั้นที่ตัดความเจริญกระทำความผิดต่อพระเจ้ามหาปตาปะฝ่าพระบาทขอพระองค์โปร่งทรงปล่อยธรรมปาลกุมารและโปร่ทรงตัดเท้าทั้งสองของหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันเท่านั้นที่ตัดความเจริญกระทำความผิดต่อพระเจ้ามหาปตาปะฝ่าพระบาทขอพระองค์โปร่งทรงปล่อยธรรมปาลกุมารและโปร่ทรงตัดศีรษะของหม่อมฉันเถิด มิตรหรืออมร์บางคนที่ม um> ีจิตใจงดงามอ่อนโยนของพระราชาพระองค์นี้คงไม่มีแน่คนที่จะทูลทัดทานพระราชาว่าขอพระองค์โปรดยาสําเร็จโทษพระราชบุตรผู้ที่พระองค์ให้กำเนิดก็ไม่มีพระญาติหรือพระสหายบางคนที่มีจิตใจงดงามอ่อนโยนของพระราชาพระองค์นี้คงไม่มีแน่คนที่จะทูลทัดทานพระราชาว่า ขอพระองค์โปรดยาสำเร็จโทษพระโอรสผู้ที่พระองค์ให้กำเนิดก็ไม่มีพระพาหาทั้งสองที่ลูปลายด้วยจุนแก่นจันของธรรมปาละกุมารผู้เป็นทายาทแห่งแผ่นดินมาขาดสิ้นไปฝ่าพระบาทลมปราณของหม่อมฉันก็จะดับสิ้นไปจูละธรรมปาละชาดกที่8จบ 9. กสุวรรณมิคาชาดกว่าด้วย พญาควางทองพัญญาของพญาเนื้อโพธิสัตว์เมื่อจะให้พญาเนื้อเกิดอุตสาหะจึงกล่าวว่าพญาเนื้อผู้มีเท้าดุดทองคําท่านจงพยายามดึงเถิดจงกัดบ่วงหนังให้ขาดฉันจะรื่นรมอยู่ในป่าผู้เดียวไม่ได้พญาเนื้อโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าฉันพยายามดึงอยู่ก็ไม่สําเร็จฉันตะกุยพื้นดินอย่างแรง บ่วงนังอันเหนียวก็ยิงบ่าดเท้าของฉันนางเนื้อกล่าวกับนายพรานว่านายพรานท่านจงปูลาดไปไม้ชักดาบออกมาฆ่าข้าพ เ, เจ้าก่อนแล้วจงฆ่าพญาเนื้อในภายหลังนายพรานได้ฟังดังนั้นมีจิตเลื่อมใสจึงกล่าวว่าเราไม่เคยได้ยินหรือได้เห็นมาก่อนว่าแม่เนื้อพูดภาษามนุษย์ได้นี่แม่เนื้อผู้เจริญตัวเจ้าและพญาเนื้อตัวนี้จงเป็นสุขเถิด นางพญาเนื้อกล่าวว่านายพรานวันนี้ข้าพเจ้าเห็นพญาเนื้อพ้นจากอันตรายแล้วย่อมร่าเริงฉันใดขอท่านพร้อมกับญาติทั้งหมดจงร่าเริงฉันนั้นเถิดสุวรรณมิคาชาดกที่9จบ 10. สุสันตีชาดกว่าด้วยพระนางสุสันตีคนทันชื่ออักคะครั้นในเวลาพญาครุฑโพธิสัตว์มาเล่นสกา จึงถือพินขับร้องถวายพระราชาว่ากลิ่นดอกติมิระหอมตลบอบอวลคลื่นสมุทรกระทบฟังดังกึกก้องพระนางสุสันตีประทับอยู่ไกลจากพระนครนี้มากพระเจ้าตำพระกามทั้งหลายย่อมเสียดแทนข้าพระองค์พญาครุฑได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านข้ามสมุทรไปได้อย่างไรเห็นเกาะเสรุมะได้อย่างไรท่านอาาักคะ พระนางกับท่านพบกันได้อย่างไรลำดับนั้นคนทันชื่ออักะเดียกล่าวว่าเมื่อเรือพวกพ่อค้าผู้สแสวงหาทรัพย์ออกไปจากท่าพ ร, รุกัดชา้าถูกปลามังกรตีแตกข้าพเจ้าเกาะแผ่นกระดานลอยไปพระนางสุสันตทีมีพระวรากายหอมเพราะกลิ่นจันอยู่เป็นนิดทรงปลอบโยนข้าพระองค์ด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะนุ่มนวลแล้วทรงอุ้มข้าพระองค์ เหมือนมารดาอุ้มลูกในไส้พระนางสุสันตีมีดวงพระเนตรอ่อนโยนทรงบำรุงข้าพระองค์ด้วยข้าวน้ำผ้าและที่นอนด้วยพระองค์เองข้าแต่พระเจ้าตามพระขอพระองค์ทรงทราบอย่างนี้สุสันตีชาดกที่สิบจบมณิกุลทละวักที่หนึ่งจบรวมชาดกที่มีนิวักนี้คือหนึ่งมณิกุลทละชาดก สสุชาติชาดก 3. เวณสาขชาดก 4. อุรุขชาดก 5. คาขตชาดก 6. การันทีชาดก 7. ละตุกิกชาดก 8. จุลธรรมปาละชาดก 9. สุวรรณมิฆชาดก 10. สุสันทีชาดก 2. วันนาโรหะวักหมวดว่าด้วยมีผิวพันธ์ต่างกัน 1. วันนาโรหาชาดกว่าด้วยผู้มีผิวพันธ์และส่วนทรงต่างกันเสือโครงเข้าไปหาพญาราชสีแล้วถามว่าท่านผู้มีเขี้ยวงามท่านได้กล่าวว่าเสือโครงชื่อสุภาหุไม่ประเสริฐไปกว่าเราด้วยผิวพันธ์ส่วนทรงชาติกำลังกายและกำลังความเพียรหรือ ราชสีกล่าวตอบว่าสุภาหุท่านได้กล่าวว่าราชสีตัวมีค่้วงามไม่ประเสริฐไปกว่าเราด้วยผิวพันุ์สัวสรงชาติกำลังกายและกำลังความเพียรหรือสุภาหุเพื่อนรักถ้าท่านประทุสร้ายเราผู้อยู่ร่วมกับท่านอย่างนี้บัดนี้เราไม่พอใจที่จะอยู่ร่วมกับท่านต่อไปผู้ใดเชื่อฟังถ้อยคาของบุคคลเหล่าอื่นอย่างจริงจัง ผู้นั้นพึงแตกจากมิตรโดยเร็วพลันและพึงประสบเวรเป็นอันมากผู้ใดไม่ประมาทระแวงการทําลายมิตรคอยจะผิดอยู่เสมอผู้นั้นหาใช่มิตรใหม่ส่วนผู้ใดผู้อื่นยุให้แตกกันมิดได้ไม่มีความระแวงในมิตรคนใดอยู่อย่างปลอดภัยเหมือนบุตรที่นอนแนบอกมารดาผู้นั้นแหละนับว่าเป็นมิตรแท้ วันนาโรหชาดกที่หนึ่งจบสศีสลวีมังสะชาดกว่าด้วยการทดลองศีลพรามโพธิจัด ร, รู้ว่าศีล ส, สาคัญกว่าสุตะจึงด้วยกราบทูลพระราชาว่าข้าพระองค์มีความสงสัยว่าศีลประเสริฐกว่าหรือสุตตะประเสริฐกว่าบาัดนี้ข้าพระองค์หมดความสงสัยแล้วว่าศีล น, นั่นแลประเสริฐกว่าสุตะ ชาติและผิวพันุ์เป็นของเปล่าประโยชน์ทราบมาว่าศีลเท่านั้นประเสริฐสุดบุคคลไม่มีศีลมีเพียงสุตตะเท่านั้นย่อมไม่มีความเจริญกษัตริย์ไม่ดำรงอยู่ในธรรมแพทย์ไม่อิงอาศัยธรรมชนทั้งสองนั้นละโลกทั้งสองไปแล้วย่อมเข้าถึงทุกติกษัตริย์พรามแพทย์สูตรจันทานและคนเทขยะประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ย่อมเป็นผู้เสมอกันในเทวโลกเพราะเวก็ตามชาติก็ตามพวกพ้องก็ตามไม่สามารถจะให้ยศและความสุขในสัมปรายภพได้แต่ศีลของตนที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นนำความสุขมาให้ในสัมปรายภพสีแลววีมังสะชาดกที่สองจบสหิริชาดกว่าด้วยความละอาย เศรษฐีชาวกรุงพารณสีพูดกับคนทั้งหลายว่าบัณฑิตพึงรู้จักบุคคลผู้ไม่มีความละอายเกลียดชังความเป็นมิตรกล่าวอยู่ว่าเราเป็นมิตรของท่านแต่ไม่เอื้อเฟื้อการงานที่เหมาะสมกับคำพูดว่าบุคคลผู้นี้ไม่ใช่มิตรของเรางานใดควรทำเพึงพูดถึงแต่งานนั้นเถิดงานใดไม่ควรทำก็อย่าพูดถึงงานนั้นเลยคนไม่ทำเอาแต่พูด บัณฑิตย่อมรู้ทันผู้ใดไม่ประมาท ร, ระแวงการทาลายมิตรคอยจับผิดอยู่เสมอผู้นั้นหาใช่มิตรไม่ส่วนผู้ใดผู้อื่นยุให้แตกกันมิได้ไม่มีความระแวงในมิตรคนใดอยู่อย่างปลอดภัยเหมือนบุตรที่นอนแนบอกมารดาผู้นั้นแหละนับว่าเป็นมิตรแท้กุลบุตรเมื่อเห็นผลและอนิสงส์เมื่อนาธุระอันเป็นของบุรุษไปอยู่ชื่อว่า ย่อมบำเพ็ญฐานะที่ทำความปราโมทและความสุขอันนำความสันเสริญมาให้บุคคลดื่มรสอันเกิดเพราะความสงัดและรสแห่งความสงบชื่อว่าดื่มรสคือปิติในธรรมย่อมไม่มีความโกรนกระวายไม่มีบาปหิริชาดกที่สาจบสขชัชาโชปนักกะชาดกว่าด้วยหิ่งห้อย เทวดาคุกคามพระราชาแล้วกล่าวสอนด้วยการยกขัดโชว์ปัญหาดังนี้ว่าใครหนอเมื่อไฟลุกโรลงอยู่ยังเที่ยวแสวงหาไฟได้เห็นหิ่งห้อยในยามราตรีกลับสำคัญว่าไฟเขาเขายี้โคมไม้และญ้าให้เป็นจุนแล้วกลี่ยลงบนหิ่งห้อยนั้นก็ไม่อาจจะให้ไฟลุกโรลงได้คนโง่เป็นดุจคนใบ้แม้โดยอุบายไม่ถูกวิธีอย่างนี้ก็ไม่ได้ผล เหมือนคนรีดนมจากเขาโคย่อมไม่ได้น้ำนมชนทั้งหลายบรรลุประโยชน์ที่ต้องการด้วยอุบายวิธีต่างๆคือการข่มศัตรูและยกย่องมิตรพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายทรงครอบครองแผ่นดินอันมีทรัพย์สมบัติอยู่ได้ก็ด้วยการได้หมูออมมัดมีแม่ทัพเป็นประมุขและด้วยการถวายคาแนะนาของหมูอม่อมมัดราชวัญลบคาโชปนกะชาดกที่สี่จบ ห้าอาหิตุณะทิกะชาดกว่าด้วยหมองูหมองูกล่าวกับลิงว่านี่เพื่อนผู้มีใบหน้างามเราเป็นนักเลงแพ้การพนันสกาเจ้าจงโยนมะม่วงสุกมาให้บ้างเราจะได้กินมาม่วงเพราะความพยายามของเจ้าลิงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่านี่เพื่อนท่านสรรเสริญข้าพเจ้าผู้มีปกติหลุกลึกด้วยคําไม่จริงเลย ท่านได้ยินหรือได้เห็นลิงตัวไหนบ้างที่มีใบหน้างามนี่หมองูการที่ท่านเข้าไปยังร้างขายเข้าเปลือกเมาแล้วเคียนตีข้าพเจ้าผู้หิวโหวยยังฝังแจข้าพเจ้าอยู่จนทุกวันนี้ข้าพเจ้าเมื่อระลึกถึงการนอนอันเป็นทุกข์นั้นอยู่ถึงแม้ท่านจะให้ครองราชสมบัติแล้วขอมะม่วงก็ไม่ยอมให้เพราะข้าพเจ้าถูกท่านคุกคามอย่างน่ากลัวเช่นนั้น นักปราดควรผูกความเป็นมิตรไมตรีกับคนที่ตนรู้ว่ามีชาติตระกูลมีความอิ่มในคันไม่ตรณีอหิตุณธิกะชาดกที่หจบ 6. คุมะพิยะชาดกว่าด้วยยักคุมาพิยะพระศ า, าสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วตรัสว่ายักคุมาพิยะเมื่อสแสวงหาเหยื่อได้วางยาพิษอันมีสีรส และกลิ่นเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่าเหล่าชนผู้เข้าใจว่าเป็นน้ำผึ้งได้ลิ้มยาพิษเข้าไปยาพิษนั้นออกฤทธิ์แรงกล้ากแก่พวกเขาพวกเขาจึงถึงความตายเพราะยาพิษนั้นส่วนเหล่าชนที่พิจารณาเห็นว่านั่นคือยาพิษแล้วงดเว้นเสียก็อยู่เป็นสุขปราศจากทุกข์ขณะที่พวกอื่นทุรนทุรายถูกยาพิษเผาผลานการทั้งหลายที่ฝังอยู่ในหมู่มนุษย์ บัณฑิตพึงทราบอย่างนี้ว่าเป็นพิษกามนั้นเป็นทั้งเหยื่อเป็นทั้งเครื่องผูกทําที่อาศัยคือร่างกายตกอยู่ในอานาจของมัจุราชบัณฑิตทั้งหลายผู้กระสับกระสายย่อมมดเว้นกามทั้งหลายแอมเป็นเครื่องบาเลิกิเลสเหล่านี้ได้ทุกเมื่ออย่างนี้ย่อมล่วงพ้นเครื่องข้องในโลกได้คุมะพิยชาดกที่หจบ 7. สาลิยชาดก ว่าด้วยลูกนกสาลิกาพระโพธิสัตว์แสดงธรรมแก่บริษัทผู้ประชุมกันอยู่ว่าผู้ใดลวงเราให้จับงูเห่าด้วยคำว่านี่ลูกนกสาลิกาผู้นี้พร่ำสอนแต่สิ่งที่ชั่วถูกงูนั้นกัดตายนรชนใดต้องการจะฆ่าคนที่ไม่ได้ทุบตีตนและคนที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นทุบตีตนนรชนนั้นย่อมถูกฆ่าให้นอนตาย เหมือนชายคนนี้ที่ถูกงูกัดตายนรชนใดต้องการจะฆ่าคนที่ไม่ได้ฆ่าตนและคนที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตนนรชนนั้นย่อมถูกฆ่าให้นอนตายเหมือนชายคนนี้ที่ถูกงูกัดตายคนซัดฝุ่นเต็มกา ม, มือทวนลมฝุ่นนั้นย่อมกลับมากระทบเขานั่นเองเหมือนชายคนนี้ที่ถูกงูกัดตายผู้ใดประทุษร้าย น, นรชนผู้ไม่ประทุษร้าย ผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีความผิดบาปย่อมกลับมาหาถึงคนผู้โง่เขานั่นเองเหมือนผงทุลีที่คนซัดทวนลมสาลิยชาดกที่เจ็จบ 8. ตาจะสารชาดกว่าด้วยคือคาไม้ไผ่พระราชาทรงเห็นเด็กเหล่านั้นไม่กลัวทั้งยังมีใจร่าเริงจึงตรัสถามว่าพวกเจ้าตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรู ถูกจองจําด้วยขือคาที่ทําด้วยลำไม้ไผ่ยังมีหน้าผ่องใสเพราะเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่เศร้าโศกพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่าความเศร้าโศกและความพิไรรำพันไม่ได้ประโยชน์เลยแม้แต่น้อยนิดคนที่เศร้าโศกเป็นทุกข์สตรูรู้เข้าแล้วย่อมพอใจส่วนคนผู้เป็นบัณฑิตรู้หลักในการวินิจฉัยอธถคดี ย่อมไม่สะทกสะท้านในเพราะอันตรายในการใดๆเขามีใบหน้าไม่เปลี่ยนแปลงยังเหมือนเดิมศัตรูเห็นเข้าแล้วย่อมเป็นทุกข์บุคคลพึงได้ประโยชน์ในที่ใดด้วยประการใดๆคือด้วยการร่ายมนต์ด้วยการปรึกษากับบัณฑิตด้วยคำอันเป็นสุภาษิตด้วยการให้สินจ้างรองวัลหรือด้วยประเพณีพึงภาคเพียรพยายามทาประโยชน์ในที่นั้นด้วยประการนั้นๆอันหนึ่ง ในการใดบัณฑิตรู้ว่าประโยชน์นี้เราหรือบุคคลอื่นไม่พึงได้รับแม้ในการนั้นบัณฑิตก็ไม่ควรเศร้าโศกพึงอดกลั้นด้วยคิดเสียว่ากรรมเป็นของมั่นคงบัดนี้เราจะทำอะไรได้ตัจสารชาดกที่8จบ 9. มิตรวินทุกกะชาดกว่าด้วยนายมิตรวินทุกกะ นายมิตรวินทุกะเห็นเทพบุตรโพธิสัตว์นั้นจึงถามว่าเขาพระเจ้าได้กระทำอะไรไว้แก่เหล่าเทวดาเขาพระเจ้าได้กระทำความชั่วอะไรไว้จากนี้จึงได้จดที่ศีรษะแล้วพัดพันอยู่บนกระหม่อมของเขาพระเจ้าเทพบุตรโพธิสัตว์กล่าวว่าเพราะเหตุอะไรเล่าท่านล่วงเลยประสาทแก้วผลึกประสาทเงินประสาทแก้วมณีและประสาททองแล้วมาณที่นี้ นายมิตรวินทุกะกล่าวว่าขอท่านจงดูข้าพเจ้าพูดถึงความหายนะเพราะความสําคัญนี้ว่าในที่นี้โพคาทั้งหลายเห็นจะมีมากกว่าประสาททั้งสี่หลังนี้เทพบุตรโพธิสัตว์กล่าวว่าท่านเมื่อมีความปรารถนามากเกินไปได้ครอบครองนาร่สี่นางไม่พอใจนางทั้งสี่ได้ครอบครองนารีแปดนางไม่พอใจนางทั้งแปด ได้ครอบครองนารี16นางไม่พอใจนางทั้ง16ได้ครอบครองนารี32นางไม่พอใจนางทั้ง32จึงได้ประสบจากจากจึงพัดพันอยู่ที่ศีรษะของท่านผู้ถูกความปรารถนามากเกินไปขจัดแล้วขึ้นชื่อว่าความอยากมีสภาพแผพ่ไปยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้เต็มได้ยากก็ชนเหล่าใดกำหนัดตามความอยาก ชนเหล่านั้นจึงต้องเทินจากไว้มิตตวินทุกกะชาดกที่เก้าจบ 10. ปราสะชาดกว่าด้วยปราสะเทวดาพญาหงปรึกษากับปราสะเทวดาว่าพญาหงษ์ได้กล่าวกับปราสเทวดาว่านี่เพื่อนต้นไซงอกติดอยู่ที่ข้าคบของท่านมันงอกขึ้นเพื่อจะตัดสิ่งอันเป็นที่รักของท่าน พระราชาเทวดาไม่เชื่อคำของพญาหงจึงกล่าวว่าต้นไซจงเจริญเติบโตขึ้นเถิดข้าพเจ้าจะเป็นที่พึ่งของต้นไซนั้นเหมือนบิดาและมารดาและต้นไซนั้นจะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าเหมือนกันพญาหงกล่าวว่าเพราะเหตุใดท่านจึงปล่อยให้ต้นไม้ที่น่ากลัวดุดฆ่าศึกเจริญเติบโตที่ฆ่าคบเหตุนั้นข้าพเจ้าจะขอเตือนท่านแล้วจะไป การเจริญเติบโตของต้นไซนั้นข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยต่อมาลุ ก, กเทวดานั้นคร่ำครวญอยู่ว่าบัดนี้ไซต้นนี้แหละทำให้เราหวาดกลัวเพราะไม่เชื่อฟังคำของพญาหงซึ่งเป็นถ้อยคำอันสำคัญปานประหนึ่งว่าขุนเขาสิเนรุราชภัยอันใหญ่หลวงจึงมาถึงเราแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระคถาว่าผู้ใดเมื่อเจริญขึ้น กลับกัดกินที่พึ่งอาศัยของตนความเจริญของผู้นั้นผู้ฉลาดไม่สันเสริญนักปราชญ์รังเกียจความพินาศจึงพยายามกำจัดรากเหง้าของอันตรายนั้นปราสะชาดกที่10บจบวันนาโรหะวัคที่สองจบ ทวักหมวดว่าด้วยชาดกมีครึ่งวักหนึ่งทีคีติโกสละชาดกว่าด้วยพระเจ้าทีคีติโกศนที่ข้าวุกุมานทรงระลึกถึงโอวาที่พระราชมารดาและพระราชบิดาประทานไว้แล้วจึงกราบทูลพระเจ้าพรมทัศว่าข้าแต่มหาราชเมื่อพระองค์ตกอยู่ในอำนาจของข้าพระองค์อย่างนี้เหตุที่เปื้อทุกข์ พระองค์ได้มีอยู่หรือพระเจ้าค่าพระราชาตรัสคาถาว่าพ่อเอ๋ยเมื่อฉันตกอยู่ในอำนาจของเธออย่างนี้เหตุบางอย่างที่จะเปลืองทุกข์ฉันได้ไม่มีพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเว้นความสุจริตและถ้อยคําอันเป็นสุภาษิตเสียแล้วเหตุอื่นที่จะต้านทานในเวลาที่จะตายข้าพระองค์ไม่เห็นเลยทรัพย์สมบัตินอกนี้ก็เช่นกัน ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรว่าคนนี้ได้ด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ เพราะว่าในการไหนๆเวนทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม่สงบระ ง, งับด้วยเวนแต่เวนทั้งหลายย่อมสงบระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนนี้เป็นธรรมเก่าที่คีติโกชลชาดกที่หนึ่งจบที่คีติโกชลชาดกที่หนึ่งจบ 2. มิฆะโปตกะชาดกว่าด้วยลูกเนื้อ ท้าวสักกะเทวรชท่อพระเนดรบทร้องไห้คร่อครวญจึงเสด็จมายืนอยู่ในอากาศตรัสว่าการที่ท่านผู้ละการครองเรือนบวชเป็นสมณะเศร้าโศกถึงลูกเนื้อที่ตายไปแล้วนั้นเป็นการไม่สมควรดาบทได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท้าวสักกะเพราะการอยู่ร่วมกันแลความรักจึงเกิดในหัทไทยของมนุษย์หรือของเนื้อ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 เราทุกคนก็คงมาประชุมกันร้องไห้ถึงหมู่ญาติของกันและกันดาบทกล่าวสะดุดีเท้าสกกะว่าพระองค์ช่วยระ ง, งับอาตมาผู้เร่าร้อนให้สงบดับความโกรนกระวายทั้งหมดได้เหมือนคนเอาน้าราดดับไฟที่ติดเปลียงพระองค์ได้บรรเทาความเศร้าโศกถึงบุตรของอาตมาผู้กำลังเศร้าโศกชื่อว่าได้ช่วยถอนลูกศรคือความเศร้าโศก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 เวลาจะไปสบโบกรณีเพื่อสงสนานพระราชาตรัสว่าคนบนเพออยู่ว่านางหนูไปไหนไปที่ไหนเราคนเดียวเท่านั้นรู้ว่านางหนูถูกฆ่าอยู่ในบ่อน้ำเวลาเสด็จเข้าไปยังปราสาสพระราชาเสด็จดำเนินสาธยายไปว่าเหตุที่เจ้าเที่ยวมองข้างโน้นข้างนี้ไปมาเสมือนหนึ่งลาทำให้เรารู้ว่าเจ้าฆ่านางหนูที่บ่อน้ำแล้ว ยังปรารถนาจะกินพระเจ้ายวะอีกพระราชาเสด็จดำเนินท่องบนจนถึงหัวบันไดว่านี่เจ้าโงา่เจ้ายังเป็นเด็กเล็กนักยังเป็นวัยรุ่นมายืนถือท่อนไม้ยาวเราจะไม่ยอมให้ชีวิตแก่เจ้าพระราชารอดพ้นจากความตายทรงร่าเริงยินดีทรงเปล่งอุทานว่าเราผู้ถูกบุรปองฆ่ารอดพ้นจากความตาย เพราะอยู่บนวิมาณในอากาศก็หาไม่เพราะบุตรสุดที่รักเสมอด้วยอัยวะก็หาไม่แต่เราพ้นจากความตายเพราะคาถาที่อาจารย์ผูกให้บุคคลควรเรียนสูตรทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชั้นต่ำชั้นสูงหรือปานกลางและควรรู้จุดมุ่งหมายของวิชาทุกอย่างแต่ว่าไม่ควรใช้วิชาทุกอย่างเวลาที่สูตรซึ่งได้ศึกษามาแล้วนาประโยชน์มาให้ก็ยังมีอยู่ มูสิกาชาดกที่สามจบสจูลธนุคหะชาดกว่าด้วยจูลธนุคหะบัณฑิตพันยาของจูลธนุขาหะบัณฑิตกล่าวกับนายโจรว่าพราหมณ์ท่านถือเอาห่อเครื่องประดับทั้งหมดข้ามฝั่งไปแล้วจงรีบกลับมารับฉันข้ามไปฝั่งนี้โดยเร็วณนบัดนี้นายโจรได้ฟังดังนั้นยืนอยู่ที่ฝั่งโนนกล่าวว่า นางผู้เจริญได้เปลี่ยนเอาเราผู้ไม่เคยเชยชิดกับชายผู้เคยเชยชิดกันมานานนางผู้เจริญคงจะเปลี่ยนเอาชายอื่นผู้ไม่ใช่ขาประจำกับเราผู้เป็นขาประจำแน่นอนเราจะไปจากที่นี้ให้ไกลแสนไกลสุนัขจิ้งจอกได้ฟังดังนั้นจึงได้กล่าวว่านี่ใครหัวเราะดังลั่นอยู่ที่พุ่มตะไครน้ำที่นี้ไม่มีการฟ้อนรำขับร้องปรบมือ ประคมดนตรีนางผู้มีตะโภกอันพึงพายงดงามเหตุไรนอในเวลาที่ควรร้องไห้เจ้ากลับหัวเราะพัญญาของจูละธนุคหะบันดิ ก, กล่าวว่านี่สุนักจิ้งจอกผู้ตาำซามโง่เขลาเจ้ามีปัญญาน้อยเสื่อมสิ้นทั้งปลาทั้งชิ้นเนื้อแล้วซบเซาอยู่เหมือนคนกำพร้าสุนักจิ้งจอกกล่าววา่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่าย ส่วนโทษของตนเห็นได้ยากเจ้านั่นแหละเสื่อมสิ้นทั้งผัวทั้งชายชูย่อมซบเซายิ่งกว่าเราเสียอีกพัญญาของจูและธนุขหะบัณฑิตกล่าวว่าพญาเนื้อผู้ต่ำสามเรื่องนี้จริงดังที่ท่านพูดเรานั้นจากที่นี้แล้วจากอยู่ในอำนาจของผัวอย่างเดียวเท้าสักกะเทวราชสดับคำของนางผู้ทุศีนไรอาจาระจึงตรัสว่า ผู้ใดลักถาดดินไปได้ถึงฐาสมฤทธิ์ผู้นั้นก็ลักไปได้บาปที่เจ้าด้วยกระทําแล้วนั่นแหละเจ้าก็จักต้องกระทํามันอีกจูลทนุขหาชาดกที่สี่จบหกระโปตะกะชาดกว่าด้วยนกพิราโพธิสัต์กาคิ จ, จิกินปลาจึงกล่าวว่าบัดนี้แหละเราสบายแล้วไม่มีโรคหมดเสีย น, น้ำ นกพิราบก็บินออกไปแล้วบัดนี้เราจะทำตามความพอใจเพราะว่าเนื้อและผักที่เหลือจะทำให้เรามีกำลังนกพิราบกลับมาเห็นกาถูกทอนขนทาด้วยน้ําเปลี่ยนเน่าจึงเยาะเย้ยว่านกยางอะไรนี่มีงอนเป็นโจรมีเมฆเป็นปูแม่นกยางเจ้าจงลงมาข้างล่างนี้เถิดกาสหายของเราเป็นสัตว์ดุร้าย กาได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านอย่าหัวเราะเยาะเพราะเห็นข้าพเจ้าถูกลูกชายพ่อครัวถอนขนแล้วทาด้วยผงเมล็ดผักกาดยสมกา ก, ากเปรียงเช่นนี้เลยนกพิราบเย่อหยันอยู่ว่าท่านอาบน้ําชำระกายดีแล้วลูบไล้ด้วยของหอมดีแล้วอิ่มน้ําสําราญด้วยข้าวและน้ําและที่คอของท่านก็ประดับด้วยแก้วไพลโทนท่านได้ไปถิ่นประชังกะะมาหรือ กาได้กล่าวว่ามิคก็ตามสตรูก็ตามของท่านอย่าได้ไปถิ่นกระชังคละเลยเพราะคนในถิ่นกระชังคละนั้นถอนขนแล้วผูกกระเบื้องไว้ที่คอของเรานกพิราบกล่าวว่าเพื่อนเอย๋ยเจ้าจะประสบความชั่วร้ายเช่นนี้อีกเพราะปกติของเจ้าเป็นเช่นนั้นอาหารของมนุษย์เป็นของที่นกไม่ควรกินกระโปตะกะชาดกที่ห้าจบ อทวักที่ 3. จบรวมชาดกที่มีในวันนารหักวักและอทวักคือ 1. วันนารหชาดก 2. ศีลวีมังสะชาดก 3. หิริชาดก 4. ีัขโชปนากะชาดก 5. อาอหิตุณธทิกะชาดก 6. คุมพิยชาดก 7. สาลิยชาดก 8. ตัจจารชาดก 9. มิตตวินทุ ก, กะชาดก 10. ปลาสะชาดก 11. ทีคีติโกสละชาดก 12. มิฆะโปตกะชาดก 13. มูสกะชาดก 14. จูลธนุขาชาดก 15. กระโปตกะชาดกรวมวักที่มีในนิบาทนี้คือ 1. มณิกุลทะลวัก 2. วันนาโรหะวัค 3. อัตวัคปัญจากานิบาตจบ